พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2556้าอหบอบรมคณะครวะจากบ้านจิกและบ้านโพนสายมีชื่อเรื่องว่าภาวนาแบบพุท ธ, ธและภริยยุค ปัจจุบันนานทีปีหนพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันวันนี้หลวงพ่อจะพูดเป็นภาษากลางให้คณะสัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษาถ้าเราจะพูดเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานของพวกเราก็พูดที่มา จากต่างถิ่นมาจากทางภาคกลางโทธิมารักษาศีลดูตามวัดหรือมาปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เข้าใจในการฟังเทศฟังธรรมโอ้ไม่รู้าท่านพูดยังไงเสียดายาที่ท่านได้พูดไลให้ฟังฮะเพราะนั้นหลวงพ่อถึงยังไงพวกเราก็เคยชินกับภาษาทางภาคกลางมาแล้ว ฟังพูดก็พวกเราก็เข้าใจกันทั้งหมดเพราะว่าวิทยุโทรทัศน์ทุกวันนี้มีแต่พูดภาษากลางกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาอย่างมาอย่างวันนี้ละหลวงพ่อก็จะได้พูดเป็นภาษากลางให้พวกเราได้ฟังเพื่อได้เข้าใจกันทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมกันในวันนี้วันนี้นะว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลยิ่งสำหรับพวกเราคณะสัตยาติยมครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเหรียญวัดบัญจิกและหลวงพ่อสงบบ้านโพนวัดเก่าแก่ของหลวงปู่เขียนที่เป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เขียนก็ท่านก็เป็นสหธรร ม, มิกกับหลวงตามหาบัว เป็นสหธรรมิกกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพญาณสังบรลองค์ปัจจุบันเป็นสหธรรมิกรู้จักมักคุณไปมาหาสู่กันเราในฐานะลูกหลานของทั้งสามพระองค์ก็เนี่แหละเห็นกันแล้วก็ไปเขาว่าเป็นญาติโกโหติกา อย่างหลวงปู่ถิ่นของเราก็เป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่จุดที่จังหวัดอุดรอันนี้ก็รู้จักมักคุ้นไปมาหาสู่กระองค์หลวงตาของพวกเราหลวงพ่อก็ไปในงานตั้งแต่ท่านละสังขารวันแรกจากนั้นก็ได้มาร่วมงานเกือบทุกปีที่เป็นงานของหลวงปู่ ก็เป็นที่รักเคารพนับถือเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรท่านปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบอแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอุดรให้ความรักเคารพนับถือในองค์หลวงปู่ของเราอย่างมากกว้างขวางในตัวเมืองอุดรแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราในฐานะพี่น้องพี่พี่น้องน้องออลูกหลานตลอดปิ้งจัทธาญาติโยมที่ได้มาสู่วัดวาศาสนาที่เข้ามากราบครูบาอาจารย์พรสสงตามวัดต่างๆในช่วงเข้าพรรษาเพราะเทศการเข้าพรรษา เราอยู่นแข่งหนตําบลใดถ้าหากว่ารู้จักมักคุ้นกับครูบาอาจารย์ที่เราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รักเค า, ารพแล้วก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเราก็ได้ไปกราบไปไหว้อย่างหลวงพ่อของเหมือนกันอย่างปีนี้หลวงพ่อก็ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระหรือว่ารุ่นพี่ของหลวงพ่อก็หลายองค์ แต่รู้สึกว่าลอยลอลงมาเรื่อยๆตะกอนเขาไปหลายแห่งทุกหัวและแห่งแถบนี้แต่ทุกวันนี้ก็กูบายจานที่ไปกราบไปไหว้ก็ล่นลงมาเรื่อยๆหลวงพ่อเองตะกอนก็จะต่า ง, งปายแถวเป็นพระเล็กพ้าน้อยเดี๋ยวนี้ก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เหมือนกัน ไม่โผได้ยังไงเพราะอายุของหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าเจ็ดสิบแล้วนะขณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานปีนี้หกสิบเก้าแล้วจะกำลังเดินเข้าไปหาเจ็ดสิบหลักเจ็ดสิบพันษาก็4สี่สิบเก้าปีนี้จำพันสาพันสาที่คาอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ในขณะนี้นะ่สิบเก้าพันษาลูกหลานบางคนก็ยังไม่ได้เกิดอีกต่างหากนับพันสาสมัมภเนเข้าไปอีก 8วกแปนะ49บเแล้วกแปนะเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อที่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา50กว่าปีเกือบหกสิบปีพะนั้นการบวชหรือว่าการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเนี่ยทั้งพระทั้งเนรที่ฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุ11 12ปี สิอย่าง12ปีจนมาถึงปูน่นี้หลวงพ่อเองก็ได้มีประสบะการณ์ทั้งศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ตําหนิตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เรามั่นใจภูมิใจอย่างมากที่เราเกิดมาแล้วก็อยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเวลาทั้ง9ปีจากนั้นก็ ทัชนากูปาอาจารย์เข้าไปกราบไปไหว้ไปศึกษากับหลวงอาจารย์หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาจากนั้นก็ขึ้นไปทางหลวงปู่แหวนสุจินโนก็เคยจาพรรษาที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้พาจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ได้ลงมาจาพรรษาที่กับหลวงอารอบที่สองจากนั้นก็ได้มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวเป็นเวลา14ปี อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจึงได้แยก ย, ย้ายแล้วว่าอยากขออนุญาตจากองค์หลวงตามาอยู่ที่วัดป่านาะคำน้อยแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2-5 ลูกหลานนับดูสิว่าชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเองได้ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันเกิดก็ว่าได้พ่อรู้เดืองสาภาวะ แต่ก็ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีประสบประการตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเนรตลอดถึงเป็นพระน้อยพระหนุ่มตันแล้วก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์ในการศึกษาเรียนรู้ทั้งทุกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะแนะนำสั่งสอน เ, อเราก็พร้อมที่จะเงี่ยงหูฟังและก็เพื่อการศึกษา จากนั้นก็ได้มาอยู่ตามลำพังามาเป็นเจ้าอาวาสและเป็นสมภารก็ได้ดูแลพระเนนพระสงฆ์ก็นำประสบ ป, ปาการที่เคยพบเคยเห็นเคยผ่านเคยปฏิบัติมาเคยศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นมาก็เนี่ยามาถึงปูนนี้เขาจะว่าขั้นว่าเป็นหัวแถวเป็นหัวหน้าเรียกว่าโพขึ้นมาสูงพอสมควร เพนั้นคณะสัทย า, า, า ญ, ญาติยงน้องหนุ่งทางหลายเข้ามาหลวงพ่อเองก็ได้นำสิ่งที่มีประสบการณ์มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนที่พวกเราควรจะรับรู้ได้รู้ได้รับรู้ในเรื่องหลักธรรมพินยัยกฎระเบียบหรือว่าศีลาจารวัตรหรือว่าเรื่องจิตภาวนาที่หลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษามา แต่วันนี้เองหลวงพ่ออยากจะแนะนำน้องนุ่งทางหลายพระเนนหรือว่าญาติโยมทางหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมท้งหลายอยากจะให้พวกเราท่านทางหลายเชื่อมั่นหรือว่ายึดมั่นในแนวแถวปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกพวกเราเนี่ยเป็นสายหลวงปู่มั่น แต่ทุกวันนี้มีมากหลากหลายขึ้นมาเรื่อยๆถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์ลูกตายังอยู่ก็ไม่ค่อยมเอีเรื่องอะไรขึ้นมาแปลกๆแต่ทุกวันนี้ฟังฟังดูแล้วก็แปลกมากหลากหลายขึ้นมาแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อเองก็พยายามบอกกล่าวคณะรัตย า, าญาติโยมโลูกหลานให้ยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นให้หนักแน่นเพราะว่า การบอกกล่าวหรือว่าการแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวไม่ใช่ท้งนี้ทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่อคับแคบให้มองแต่สายหลวงปู่มั่นไม่ใช่แต่ถ้าว่าหลวงพ่อให้บอกว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาเถอะครูบาอาจารย์องค์ไหนแนะนาสั่งสอนให้ปฏิบัติตามนั้นเดี๋ยวเข้าไปก็ยังมีพระมีคนเข้ามา บอกหลวงพ่อผมเดินสายนั้นสายนี้ดูดูแล้วมันจะเป็นบ้าเป็นบอไปเป็นวิปัสสนูอุป ก, กิเลสครูบาอาจารย์สายอื่นเวลานั่งภาวนาจิตสงบพอสมควรพอมีนิมิตเกิดขึ้นมาได้เห็นเทวบูตรเนเห็นเทวดาเห็นจิงแปลกก็ให้ส่งจิตไปดูตัซฤทธิดูให้มันไป พอส่งเข้าไปก็ยิ่งไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆจนนั้นะกูไม่กลับแตเนีนผลที่สู่ก็เลยสําคัญผิดเป็นวิปัสสนูไปอันนี้ก็มากต่อมากแต่นี้แนวแถวสายของหลวงปู่มั่นของเราท่านจะไม่ให้ทำอย่างนั้นท่านจะไม่ให้ดูให้ถอยกลับมาหากรรมฐานเดิมมันแปลแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพอปฏิบัติตามเอ้ยคนนี้ปฏิบัติทำไป เออนี่ยแหละทำแตกเป็นบ้าฮะเราไม่อยากจะได้ยินอย่างนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมผู้เข้ามาฝึกใหม่ก็เลยกลัวแท้นี่ยเอ๊ะถ้าเรานั่งภาวนาไปเนี่ยไม่จะไปไม่เป็นบ้าเหรือเนี่ยฮะเหมือนกับคนนั้นเขว่าทำแตกไงพอปฏิบัติธรรมเข้าจริงหัวจังผลในสุขเลยเป็นบ้าไปฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกกล่าวแนะนําสั่งสอน หรือย่างไงพวกเราเข้ามาฝึกหัดดัดนิสัยเข้ามาฝึกใหม่ควรจะยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะหลวงพ่อเองก็ศึกษามาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็มั่นใจอีกต่างหากว่าแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นสายที่ปฏิบัติดีแล้วก็สมาธิปัญญาสมถะและวิปัสสนาได้ชัดเจน เป็นแถวเป็นแนวชัดเจนเไม่วอกแวกและก็พร้อมกันเมื่อท่านอธิบายวิธีการปฏิบัติของท่านให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วเมื่อท่านจุตินิราพานหรือท่านมรณะภาพลงไปกระดูของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้เห็นต่ำตาต่ำใจของพวกเรา พวกเราก็น่าจะตายใจได้น่าจะเชื่อถือได้น่าจะไว้วางใจได้ในปฏิปทาหรือแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนหรือว่าแนะแนวปฏิบัติสำหรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ภาวนาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นนะเนอเพราะว่า แต่สายอื่นมันผิดไหมหลวงพอ่อไม่ผิดถูกแต่ว่าผู้พาดำเนินนั่นน่ะอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะพาเดินไปครึ่งๆึ ง, งกลางกลางเสร็จแล้วก็พูดพาเดินนันก็เดินหลงทิศหลงทางไปอีกต่างหากแต่สายหลวงปูม่มันของเราเนี่ยท่านเดินทะลุปุโปงถึงที่การทำมาหาเลี้ยงชีพก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดี ในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับการทํามาหาเลี้ยงชีพยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นของเราท่านสอนวิธีการทํานาหาเงินหาเงินด้วยวิธีการทํานาหาเงินด้วยวิธีการทํานาต้องปูข้าวอย่างนี้เก็บเกี่ยวอย่างนี้ขายข้าวอย่างนี้ได้เงินอย่างนี้ได้เงินแต่สายอื่น ท่านก็ได้เงินเหมือนกันปลูกมันสำปะหลังอย่างนี้ขายมันอย่างนี้ได้เงินบางคนก็ปลูกข้าวโพดอย่างนี้ขายข้าวโพดนี้ได้เงินบางคนก็กีดยยางอย่างนี้ขายยางอย่างนี้ได้เงินบางคนก็ขายของชำบางคนก็บปั๊มน้ามันบางคนก็รับราชการตำรวจทหารพิพากษ า, าการครูบาอาจารย์มีมากหลากหลายในวิชาอาชีพที่พวกเรา จะหาเงินนี่ก็เหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นแหะเพราะว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้ทั้ง40สอย่างอันนี้เพียงพอประมาณเท่านั้นที่ยกขึ้นมา40อย่างแต่มากกว่านั้นถ้าเราได้ศึกษาผู้ที่ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลในครั้งพุทธกาลนอกเหนือจากกรรมฐาน40มากต่อมาก ถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วโอวิธีการสัมผัสหรือวิธีการเดินมักเนี่ยหรือวิธีการหาเงินเนี่ยเอมากหลายอย่างแต่ทุกวิชาก็เพื่อหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อได้เงินแต่ทีนี้เราจะทําทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมทั้งทํานาด้วยทำสวนด้วยทำไร่ข้าวโพดด้วยกี่ยวางด้วย เป็นข้าราชการเขาไหว้อันไหนก็ดีก็จับไปทําอย่างนั้นพวกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นก็เรียกวจับชายหากดท า, าเกณฑ์ไม่ได้ผลในที่สุดก็ท้อใจไม่รู้จะเดินทางไหนหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเสียเวล้ําเวลาเสีย อ, อการประพฤติธปฏิบัติธรรมอยากจะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่บ้านที่ท่านทําได้ผลมาแล้ว ให้พวกเราเดินตามสายนี้เตินดาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราจะภาคภูมิใจ เ, เมื่อปลายมือถึงจะได้มากได้น้อยกับภาคภูมิใจว่าเราเดินมาถูกทางเราเราปฏิบัติมาตามแนวสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะสายหลวงปู่มั่นท่านยึดแนวแถวปฏิปทา หรือยึดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพที่พุทธกยาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ทาท่านทําอย่างไรในวันเดือนหกเพนนนั้นแต่ที่พระพุทธองค์ไปบําเพ็ญทังหปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดในหกปีนั้นเราจะยังไม่นำนำมา บอกกล่าวเพราะอันนั้นเป็นการทดสอบทดลองเหมือนกับเขาทดลองการทําไร่ทํานาทํททร า, ารั้วทำสวนทําราชการงานเมืองฝึกวิชาอาชีพต่างๆเพราะยังไม่สําเร็จเขายังฝึกอยู่เขายังทดสอบทดลองอยู่อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทดลองอยู่หปีหอดภะกายานถึง4ี่บเวันฉันทั่วฉันงา แล้วก็ไม่ฉันกับมือเรืเอไม่จับมือมาฉันเรือเรียเอาเหมือนกับจุนักอย่างนี้เป็นต้นมีมากหลากหลายที่พระพุทธเจ้าทดลองดูแต่สรุปแล้วก็คือเป็นการทรมานเพราะท่านในยุคสมัยนั้นพวกนิคนพวกนิกายต่างๆพวกนักพจนักบวชต่างๆมีมากาหลากหลายในแนววิธีการปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญอยู่นั้น ก็มีดาบด ท, ที่เป็นที่เรื่องรือในยุคสมัยนั้นก็มีอยู่สองอยู่ในละแวกนั้นพระพุทธเจ้าสิทธัตถะก็ได้เข้าไปศึกษากับดาราบทอุตรกระดาบทสอหรือสแต่ท่านก็มองดูแล้วไม่ใช่ทางเป็นเพียงแต่สงบเป็นสมาธิเท่านั้นยังไม่ใช่หนทางที่จะชะําระนะแต่ท่านก็สอนวิชาให้จบเรียนจบกับท่านรือศีทั้งสอง จากนั้นท่านก็ถอยกลับมาอีกมาบำเพ็ญตามลำพังสิท ธ, ธะอดภกรยาหารถึงสี่สิบเก้าวันแล้วก็แปลว่าสุดในการทรมานกายพอในสุดไม่ใช่ทางดูแล้วไม่ใช่ทางจิตใจยังมีโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมีแต่ว่าเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเท่านั้นเอง จากนั้นพระองค์ก็ได้ขันมาทางดูทางด้านจิตใจเท่เนี่เออมาดูทางด้านจิตใจตือทรมานกายร่างกายนี่ อ, อมันไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเราเป็นโซเฟอร์รถอย่างนั้นอะ่ะ เ, เป็นโซลเพื่อร ถ, ร ถ, รถมันรถนี่แหละตัวสเสน่ห์ตัวจันลยแล้วขึ้นขับแล้วพวงมาลัยขับรถอชนหน้าชนหลังชนใช้ชนขวาออให้มันกินน้ํามันน้อยให้มันกินน้ํามันมากก็เลยทดลองนะ่ะ อ, อทดลองรถฮะ แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลดีรถมันก็คือรถแต่ใ้ท่านก็มาพิจารณาดูแล้วมันทรมานรถมันไม่ใช่เรื่องมันต้องทรมานหรือมาดูคนโซเฟอร์น่ะที่ขับรถน่ยตัวนี้แหะตัวสําคัญซรถมันมันม่มีปัญหาอะไรเราะมันเป็นลูกน้องเออมันเป็นลูกมือมันเป็นคนมันเป็นเครื่องใช้ของเรา ตอนี้พระองค์ก็มาดูใจใช่ไหมนี่แหละวันเดือนหกเพนจะทักดูใจมันดูยังไงมันจับไม่อยู่นะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาเฉมันนั่งปุ๊บป๊ปมันคิดปรุงนู้นฟุ้งนี้ฟุง้งนี้ปรุงน้นแล้วจะทํำยังไงท่านก็เลยพอนั่งสมาธิวันเดือนหกเพนท่านก็ลําลึกถึงสมัยท่านเป็นสิทธัตถะไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่ไปนั่งอยู่ที่ชายทุ่งนา ท่านไปพวกพี่เลี้ยงนางนมได้เอาไปไว้ที่โครนต้นว่าจากนั้นพี่เลี้ยงนางนมเห็นว่าศิท ธ, ธิ์ฐานเป็นเด็กเป็นกุ ม, มารหนุ่มน้อยเด็กนอนหลับจากนั้นพวกพี่เลี้ยงนางนมก็อยากจะไปดูพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าทุโทธทนะแลกนาขวัญท่านไถนาอย่างไงเพราะสนุกสนานทางนู้นอ่ะ อแต่นี้ก็ลืมลืมพระลูกเจ้าคือสิทัต t h จากนั้นสิทัต t h เห็นพี่เลี้ยงนางนมอห่างไปแล้วท่นี้ท่านก็ตื่นขึ้นมามองไม่เห็นไข่มีแต่ท่านอยู่องค์เดียวท่านก็ลุกมานั่งขัดสมาธินะแต่ทําไมท่านจึงขัดสมาธิเพราะว่าอุปนิสัยเก่าแก่แกดึกดําบรร ท่านเคยเป็นฤาษีชีภัยมาก่อนหน้านี้แล้วท่านก็มีอุปนิสัยดั้งเดิมเขาบอกอุปนิสัยตัว น, นี้มันฝังลึกในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิลุกมานั่งสมาธิตามลําพังท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฮะท่านนึกและเลิกได้ยังไงก็คงจะเป็นอุปนิสัย ดังเดิมเก่าแก่ที่ท่านเคยเป็นลือสีอย่างที่ว่าติดภพติดชาติมานมนานท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระไทยของระองใจของระองรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งมีความสุขมากนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในช่วงนั้นแต่ก็มีอภิเนอภิเนหานด้วยแดด ที่จะส่องเข้ามาในร่มต้นว่าก็เป็นอันเหมือนกับกางเต็นเ์หรือว่ากางมุง้งแดดส่องไม่ได้เนี่แหละเป็นอุปเป็นอภินิหารสิทธิาก็นั่งอยู่ที่โครนต้นว่านั้นจนกว่างานจะเลิกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุดโทธนะหยุดในการแลกนาขวัญ น, นางสนมกำนันทั้งหลายกั ลืมโอ้พระลูกเจ้าอยู่กับใครแต่ที่ไหนได้พวกนั้นพวกสนมกำนันทั้งหลายเฮโลไปดูแลกนาขวัญกันทั้งหมดพอกลับมาเห็นแต่สิท ธ, ธัตถะนั่งขัดสมาธิอยู่ที่โคลนต้นว่าจากนั้นก็เป็นที่อัจจรรย์ใจของพระศกติก่อนในยุคสมันสมยนั้นเพราะแดดไม่ส่องเข้ามาที่โคลนต้นว่า จากนั้นพระ อ, องค์เมื่อออกจากที่นั้นแล้วพระ อ, องค์ก็ไม่เคยนั่งสมาธิอีกเลยไม่เคยจากนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับการศึกษาเรียนรู้ตามหลักวิชาการเรียนรู้เพื่อจะได้ปกครองประเทศชาติฝึกหัดทานูฝึกหัดช้างฝึกหัดม้าฝึกหัดการรบการพุ่งฝึกหัดการบัญชีบริหารจัดการธุรกิจต่างประเทศ เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอ้องเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อการบริหารประเทศชาติแต่ในศรีถะก็ไม่ได้สนใจจนถึงอายุย9สเปีพระองค์จึงเห็นคนแก่เห็นคนแก่และเห็นคนเจ็บและเห็นคนตายพระองค์ก็ท้อพระทยัยโอ้เราก็เรานี่เนาคงจะเกิดขึ้นมาแล้วกับปู่ย่าตายายไปไหนพระมารดาของเราก็สวรรคตรไปแล้ว ยังเหลือแต่พระปิดาและก็พระแม่เลี้ยงของเรานอกนั้นก็ปู่ย่าตายายก็จากไปหมดแล้วพระแม่เลี้ยงของพระ อ, องค์ก็คือนางโคตมีเป็นน้องสาวของพระมารดาพระมาราก็สวรรคตเมื่อท่านประสูติได้เจ็ดวันนี่แหละอันนี้พระ อ, องค์ก็น้อมดูรู้ที่ว่าความตายไม่ได้เลือก หลีหนีไค่พระองค์ก็จะไปตามพวกท่านเหล่านั้นจะทำยังไงจึงจะไม่ตายนี่แหละที่พระพุทธองค์มานึกย้อนดูคือผู้มีปัญญาทั้งหลายในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องค้นคว้าศึกษาจากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกไปบวชก่อนที่หนีออกจะไปบวชเนี่ยก่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ แล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นส ม, มณะส ม, มณะคือนักพลดนักบวชนักพลดนักบวชก็อย่างที่พระองค์ได้นั่งอยู่ที่โคลนต้นว่า น, นั่งขัดสมาธิอยู่ตามลำพังส ม, มณะคือนักบวชได้นั่งอยู่ตามลำพังนั่งค้นคิดคุ้นคิดในเรื่องต่างๆเนื่องหลับตานั่งขัดสมาธินั่งยอยู่ตามลำพังสิทธธมองเห็นแล้วเอออันนี้เป็นหนทาง ถ้าหากว่าเราอยู่ในเวียงในวังมีแต่เรื่องมาลุมมาตุ่มแต่ละวี่แต่ละวันไม่รู้เรื่องอะไรตัวมิอะไรคงจะคิดหาทางออกไม่ได้ทางคิดที่จะหนีออกจากความแก่เจ็บตายเนี่ยคงจะไม่มีช่องทางที่จะคิดได้ถ้าเรามานั่งอยู่แบบสมณะท่านนี้เนี่ยคงจะมีช่องทางฮะนี่แหละปัญญาปราดบัณฑิตท่านเห็นอะไรเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นตัวอยา่าง จากนั้นพระองค์จึงได้นหนีออกจากเวียงวังออกไปอ ย, ยู่แม่น้าอโนมานาทีห่างจากกรุงกบิลพัประมาณสองร้ยกว่ากิโลทุกวันนี้นะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาวัดได้จากิจากกรุงกบิลพัทมาถึงแม่น้ำอโนมานาทีที่พระพุทธองค์เสด็จทรงผนวดนั่นนะ่ะห่างกันเท่าไหร่เขาว่าประมาณสองร้อยกว่ากิโลก็คงจะขนาดบ้านโพนมาถึง วัดนาคำน้อยในะขนาดนี้แหละร้อยกว่าเกือบสองร้อยกิโลนะ่ะนี่แหละพระองค์ก็ไปบาเพ็ญอยู่ในนั้นเมื่อไปบาเพ็ญนะก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ทุกอย่างเพราะยังไม่เคยเดินท่านก็ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดด้วยบุญบา ร, รมีเก่าของพระองค์จากนั้นวันเดือนหกเพนเนี่ยเป็นวันสูตรสาเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จุดนี้แหละพวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบกับแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นของเราด้วยไม่ใช่ฟังแล้วก็จบไปไม่ใช่เราต้องเปรียบเทียบว่าหลวงปู่มั่นยึดยังไงพระพุทธเจ้าท่านดำเนินยังไงในวันนั้นพอตอนหัวค่ำพระพุทธองค์นั่งนั่งขัดสมาธิาท่านถ้าจะเรียงลาดับก็คือว่านายโสติยะเกี่ยวญาคา ในเรแวกนั้นเดินผ่านมาเห็นสิทธะนั่งอยู่ตามลําพังก็คงจะไม่สบายไม่สะดวกเพราะว่าโคลนต้นโพก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็คงจะรากโพก็คงจะลอยขึ้นมาบนดินและก็ความเชิญก็คงจะมีนายโสธิยะเห็นแล้วก็ได้นำยากาถวายสิทธะแปดกํามือพอสิทธะท่านได้ยากา8ปดกำมือท่านก็หาบุ่ม มุมที่จะนั่งเสร็จแล้วท่านก็ไปปูหญ้าคาลงทางทิศตะวันออกไปปูเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งนั่งที่บนยญาคาแปดกำมือนั้นหันพระพักหรือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเอ่อพอขึ้นไปนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงํรำรงสติเฉพาะนาในช่วงนั้น พระอาทิตย์ยังไม่อัจฉร ด, ดง่งคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคล้ายกัพระอาทิตย์กำลังเริ่มจะตกดินแหละแต่ยังไม่ตกดินยังไม่รับเขายังไม่รับลงไปในรับโลกจากนั้นพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละพวกเราฟังเอาไว้ น, ะนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจ้า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 ในเมื่อพระ อ, องค์ไม่ได้ส่งกระแสจิตไปทางอื่นไม่ได้ปุงฟงไปทางอื่นจิตใจอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งรวมจิตใจรวมพอรวมเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็น้อมจิตที่ผ่านความสงบนั้นลำลึกชาติหนนหลังระ ล, ลึกถึงอดีตระ ล, ลึกถึงอดีตของพระ อ, องค์ จึงได้ญานธัจนะเกิดขึ้นว่าปุบเพนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละ อ, อคือระลึกชาติในหลักของธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวพวกเราท่านทั้งหลายอญ า, าตัทาญาิโยมทั้งหลายให้เชื่อมั่นว่าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักพระพุทธศาสนานี่ตายแล้วไม่สุขตายแล้วเกิดอีกทํำไมเราที่ว่าปุบเพเนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเอออย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวานมานั่งเกิดมาก็นั่งจุก ป, ปกหยุดจุดนี้แหละเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงเดือนก่อนปีก่อนได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะเราเกิดมาเรามามีแต่ชาตินี้ชาติเดียวเดี๋ยวนี้เดียวนี้เองฮะนี่แหละอันนี้ก็คือ รักของพุทธศ า, าสนาบอกปุเพเนวาสานุจติญาณระลึกชาติหนนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ทําภาวนาจิตใจให้ น, นิ่งลงไปอีกจุตูปะปะตาตญาณการมองคนอื่นที่แรกมองพระองค์เองก่อนมองพระไทยหรือมองตัวของพระองค์เองก่อนบัดนี้มองคนอื่นพวกเขาเหล่านั้นมาจากไหนจากไหนมาเกิดแล้วเขาจะไปที่ไหน และวจูตูปัญญาคือการเกิดการตายมองการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกมายัางไงมาเกิดและออกจากที่นี่จะไปที่ไหนแต่ละพบแต่ละชาติแต่นี้พอมองไปแล้วพระองค์ก็มองอีกว่าก่อนที่เขามาเกิดนะเขามาด้วยวิธีอะไร ว, วิธีเขาไปเข้าไปด้วยวิธีอย่างไงท่านก็มองดูแล้วมาด้วยกรรมไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทา ถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าใครกรรมทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะนั้นท่านจรียกว่าจุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําปัจจุบันนกรรมกรรมเขาเนี่มีอยู่สองอย่างปัจจุบันนกรรมและอดีตกรรมอดีตกรรมก็คือผลในอดีตปัจจุบันนกรรมก็คือผลในปัจจุบัน ในการกระทาในปัจจุบันแต่พวกเรามาเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นดูให้ชัดเจนก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมถ้าเด็กคนใดเกิดมาเองอแงขี้เกียจเรียนหนังสือโง่เอแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแล้วเขาเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคนนั้นเขาจะได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีสติมีปัญญาเป็นไปได้ไหม เราก็ทํานายไปเลยเด็กคนนี้หมดอนาคตพ่อขี้เกียจเรียนหนังสือทะเลทะลายแต่เด็กคนไหนเกิดมาแล้วรับผิดชอบเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือเรียนเก่งอีต่างหาเขารลบนบน้อมเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังผู้ใหญ่และเป็นคนมีสติมีความใคร่ควรสติปัญญาของเขาอันนี้เปลวยบันอนดีตกรรมของเขาดี จนมาถึงปัจจุบันมันก็ดีส่งขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือปัจจุบันกรรมที่เราพวกเรามองเห็นอันนี้ก็เหมือนกันอดีตกรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้อย่างพระโมกคลาอย่างนี้ที่หลวงพ่อเคยยกที่ท่านเคยฆ่าพ่อแม่ของท่านในอดีตชาติเกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านก็ถูกฆ่าเพราะอะไรเพราะกรรมในอดีตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อกตังลุกตังเสยโยปัชชาตปฏิลุกตังยยตตกรรมชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้พวกท่านทั้งหลายดวงวิญญาณหรือใจของพวกท่านทั้งหลายไปเกิดในภพใราชาติใดพวกท่านทั้งหลายจะได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากเพราะกรรมชั่วให้ผลแต่ถ้าเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำกรรมดี กรรมดีก็จะให้ผลกับพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราก็จะได้รับแต่ความสงบพรมเย็นเป็นถูกทางด้านจิตใจเพราะว่ากรรมดีให้ผลนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนเหเพนตตอนเที่ยงคืนแต่พอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดรู้เป็นอาสาวกยญาณญาณอย่างรู้ว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระองค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงออกจากพระไทยใจของพระองค์ใจของพระองค์ใจเป็นบริสุทธิ์แล้วไม่อยู่ใต้อํานาจของกิเลสโลกโกรดหลงแล้วราคะโทสะกระจัดออกไปหมดแล้ว เ, เป็นสยามภูรู้แจ้งโลกแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันเดือนหกเพ่นนั้นสามอย่างตอนหัวค่ำเนี่ยปุกเพในวาสานุจิติยานลำลึกชาติคนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพอจวนสว่างได้ตัดรู้เป็นพระอนุตอาสาวกยายานยานอย่างรู้ว่าพระ อ, องค์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะอันนี้คือพระพุทธเจ้า แต่ที่มาเปรียบเทียบกับหลวงปู่มั่นของเราถึง เ, เพราะว่าเราอยากจะให้พวกเรายึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างเพราะเราเห็นใกล้ๆพระพุทธเจ้านั้นอยู่ห่างไกลเกินไปแต่ถึงยังไงทําคําสอนอย่างถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราก็จะรู้แต่คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานจะได้อ่านพระไตรปิฎกไ ด, ได้ศึกษานั้นก็คงยากเพราะนั้นเราควรจะอ่านหรือศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ที่พวกเราได้อยู่ใกล้ท่านและก็ได้แนะนำสั่งสอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้แหละหลวงพ่อเสียงหนึ่งเอแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อคิดวัดแนะนําไม่ผิดก็แล้วกันเพราะเหตุใดเพราะหลวงพ่อฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวถึงอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ทราบแล้วนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือ วิธีการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นท่านทํำยังไงสายหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อเองก็เกิดไม่ทันสายหลวงปู่มั่นไม่ทันหลวงปู่มั่นแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็คือหลวงปู่ล่าหลวงตาฮะหลวงปู่แหวนแต่หลวงพ่อเป็นสมณีน้อยอยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าท่านก็สอนท่านก็สอนอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเมื่อหลวงพ่อได้รับมาจากหลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายฟัง เออพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเราหน่าหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ล่าอย่างนี้หลวงปู่ล่าสอนให้หลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็จะสอนให้ลูกหลานลูกหลานได้ยินไปแล้เออหลวงพ่ออินเที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ล่าหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้พวกรักสอนเป็นทอดๆกันหลวงปู่มั่นท่านหลวงปู่ล่าท่านบอกเออเวลาก่อนหลับก่อนนอนเนอะให้ไหว้พระกราบพระ หันศรีรษะไปทางหมอนนั่นน่ะไม่ต้องมีพระพุทธรูปก็ได้ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของพวกเราเออไม่ใช่อยู่ที่อื่นเราล้ำลึกถึงเมื่อไหร่กับพระพุทธเจ้าอยู่ในใจถ่านเราไม่ล้ำลึกถึงกันเน่นแหละเออพระพุทธเจ้าคนไม่อยู่ในใจของเราเวลาเรากลาบไปทางหมอนกับลำลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเออ กาบสาครั้งนะพุทธกาบครั้งพุทโธกราบครั้งที่สองธรรมโมและนึกถึงพระธรรมกราบครั้งที่สามสังโฆและกระปนมมือขึ้นบนศีรษะนิพพานังข้าพรเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานผังหวังพ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเฮไม่ใช่กราบธรรมดานะกาพุ ท, โทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานังหวังพระนิพพานหวังสูงสุดจากนั้นกับ阿拉หัง สัมมาสัมพุโทโธกราบสวาขาโตกราบสุปฏิพโนโขวโตสาวกะสังโโหกราบจากนั้นคณะโมตัสะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั้นเออถึงสามครั้งน้โมตัสะจากนั้นพรพุทธทงาาาาาังสารนังคันฉามิธรรมังสังขังสารานาาังขัามดุติยามปิตาติยึดพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ถ้าหาว่าสวดได้มากกว่านั้นก็ดีถ้าสวดไม่ได้มากเอาเพียงแค่นี้พอถึงพุทธทางธรรมังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะท่านสอนจากนั้นอย่าลืมแผ่เมตตาแผ่เมตตาในสําคัญนะเพราะคนที่มีเมตตาไปอยู่น่าจะฐานที่ใดหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีพิษมีภัยไม่จองล้างจองผานใครจะมาจองล้างจองผานผูกพยาบาทอาฆาตกับเรา ก็ผูกไม่ติดเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตกับเขาเรามีเมตตาให้ให้แผ่เมตตาในใจนะข้าไปเจ้าจงเป็นสุขนึกในใจถัว่าให้นึกในใจข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกาธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆกดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเทินนะคือน้อมใจอย่างนี้เวลาก่อนที่ไหว้พระจบแล้วจากนั้นก็ปนมมือกราบสามครั้งพุโทโธธรมโมสังโฆนิพพานังจากนั้นก็นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิหานเป็นนางทางหมอนนั่นแหะแต่สมัยก่อนไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์นะไม่มีโทรศัพทมแต่ทุกวันนี้เราต้องอยู่ในมุมสงบ วิทยุโทรทัศน์ซะก่อนถ้าเขาไม่ปิดก็ให้ลูกหลานเขานอนซะก่อนเราจึางค่อยมานั่งตามลําพังหรือเขาไปนั่งในห้องพระนั่งในมุมสงบจากนั้นก่อนนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมือขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ประนมมือซะก่อนอ่าสอนนะคือเราต้องไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อน เพราะว่าการภาวนาและการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าเราคิดได้เองหรือว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นคิดได้เองไม่ใช่เป็นทรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวน า, า, วนาทำจิตใจให้สงบให้บริกรรมเพราะนั้นก่อนที่เราจะบริกรรมภาวนาเนี่ยเราต้องประนมมือขึ้นไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พุทโธ ธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบคือนอบน้อม พ, พ, พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สัก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกาศพระธรรมคำสอนของพระองค์ออกมาให้พวกเราได้รับรู้รับทราบจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเรา เพราะนั้นถึงพระคุณทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเวลาเราจะนั่งภาวนาเราจึงลำลึกถึงกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะกอ่อนจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากําหนดลมหายใจเข้าแต่พระพุทธเจ้าหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออก มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นท่านประยุกต์ใช้ในอนุสติสิของกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเวลากำหนดลมหายใจเข้าให้บริกรรมพุดนะเพิ่มพุดเขาอีกเวลาหายใจออกบริกรรมโทให้เพิ่มโทเขาอีกพดโธถ้าว่าเราแต่แตกาหนดแต่ลมหายใจเข้าออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย มันลืมได้ง่ายมันสลับไปได้ง่ายเพราะนั้นถ้าเราให้ภาวนาให้ยึดพุทโธเป็นหลักนะอันนี้ก็คือกรรมาฐานที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ท, ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนะับถืออย่างหลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่เขียนนี่ยแลหลวงปู่ถิ่นน่ลหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน หลวงปู่เทศที่เราไล่เลียงไปล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิของหลวงปู่มันมีพวกท่านเหล่านี้ถ้าสอนทีไรเออภาวนาพุทโธนาะโดยมากจะสอนเพียงแค่นั้นท่านจะไม่ได้เรียงลําดับอย่างหลวงพ่อเลียงลำดับให้ลูกให้หลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อนี่ยเรียนมาจากกอไก่มาจากหลวงปูล่ลาเพราะท่านสอนเด็กนะแต่หลวงพ่อเองก็คิดว่าที่หลวงพ่อสอนนี้อาจจะเกิดประโยชน์สําหรับคณะสัตยาติโยมลูกหลาน ผู้ที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาถ้าเราเคยปฏิบัติมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่ว่าการเพราะเรียนรู้แล้วไม่ต้องเรียนกลับมารู้อย่างหลวงพ่อบอกแต่ถ้ามาผู้ที่ยังไม่เคยก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้เลยเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อสอนมาตั้งแต่กอไก่จากนั้นพวกเราก็ผสมสละศรากากระกากรีกไปเรื่อยอะไรอก็อ่านออกเขียนได้ต่อไปภายภาคหน้านี่ละวิธีการปฏิบัติเริ่มแรก จากนั้นเมื่อนั่งภาวนามันก็ต้องธรรมดาก็ต้องเผลอมันต้องไผลต้องคิดปงฟุ้งไปทางอื่นเพราะเราเหมือนกับจับบัวจับควายม า, าฝึกหัดทำไร่ไถานาอย่างนั้นแหละามาไถานาอย่างนั้นจะไม่ให้จับเข้ามาแล้วมันจะไถเดินย่องย่อ ง, ย, องย่องไปคงจะเป็นไปไม่ได้ควายตอนนั้นก็คงจะเป็นควายที่อัจฉริยะและเป็นควายที่เลิศประเสริฐแต่ทีมันจะกระโดดโลดเต้นพวกเรากวาจะ จับมาไถไร่ไถนาได้บางทีเพ้อเพ้มจะขิดคนชนคนสู้กับคนอีกต่างหากที่มันจะสู้ได้แต่นี้มันสู้คนไม่ได้เพราะคนมันหลายคนไงไอ้มันก็กลัวเพราะคนก็เอามันเจ็บต่างหากพอในสุดควายตอนนั้นก็สู่บังคับอ็มันก็เดินมันก็ทําไถนาไปได้นี่ก็เหมือนกันวิธีการภาวนาขั้งแรกเนี่ยจะให้มันเข้าสู่ความสงบเฉลย คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะคณะสัตยาติโยมนะฟังเอาไว้มันจะต้องเผลอไผลไปทางอื่นพราะมันเผลอไปก็ บ, บังคับให้มันอยู่กับพุทโธตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอ บ, บังคับหลายครั้งต่อหลายหนหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีมันไม่ใช่ครั้งครั้งเดียวนะอจากนั้นก็อถ้ามันยังเผลอยังเอาไม่อยู่ให้บริกรรมให้ถี่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สามทับ แต่ไม่ต้องพูดออกเสียงในปากนะให้นึกในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธสัมทับในใจของเราจนไม่ให้มีช่องว่างในใจของเราที่มันคิดเผลอไผลไ ป, ไปทางอื่นนะอันนี้ก็คือบังคับใจให้อยู่กับพุโทโธแต่หลวงพ่อแนะนําอีกแนวหนึ่งที่ว่พาพะหลวงพ่อคิดว่ามไม่ผิดเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าวางคำมัฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างหรือมากกว่านั้นอย่างพวกที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อว่าให้พวกเรานับดูนะ วิธีการนับภาวนาหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงร้อยไม่เผลอแล้วกระกลับมานับหนึ่งอีกสักห้าหกเจ็ดแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งไม่เผลอแปลว่าสติของเราดีนะแต่ถ้ามันจะเผลอนะให้พวกเราสังเกตดูนะเวลาหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองสามสี่หนึ่งเป็นเลขคี่สองเป็นเลขคู่สามเป็นเลขคี่สี่เป็นเลขคู่ สรุปแล้วก็คือขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่คคไปถึงร้อยไม่เผลอแสดงวสติของเราดีแต่โดยมากมันเผลอนะพวกเราให้สังเกตดูนะให้กลับไปนี้แล้วให้เวลามีโอกาสให้นั่งภาวนาดูเลยอย่างที่หลวงพ่อแนะนำเวลาเข้าไปนั่งคัดสมาที่กำหนดหนังหนึ่งสองสามสีมันบางทีนับไปถึงสิบสุดเลยซ้ำไปมันเผลอแล้วพอมันเผลอนี่หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้ ทั้งที่มันจะเป็นเลขขี้คู่ขี้คู่มันคู่ขี้คู่ขี้ท่านเลยอ้าวมันเผลอไปแล้วมันเผลอได้ยังไงมันเผลอช่วงไหนวะดูเองพอดูเองมันยังเผลออีกเออถ้ามันเผลอบ่อยๆถ้าหากานับยังไม่ถึงสิบนะเผลอทั้งสองสามครั้งนะอย่าไปหัวเราะนะอย่าไปดีใจนะนั่นแหละต่อไปพายภาคหน้าจะเป็นอันไซเมอร์หรือจะเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะมันขาดสติมากเหลือเกิน เราควรจะใส่ใจเขาโอ้ข้าไม่ไหวแล้วเนี่ยฮเป็นลักษณะอย่างนี้สติคงค้าเนี่ยแย่ยํำแย่จะแล้วเราควรจะตั้งใจใหม่เอาเถอะบังคับให้อยู่กับพุทโธเด้วยวนับหนึ่งสองสามนับถึงสิบไม่ให้มันเผลอดูสิจากนั้นก็นับถึงยี่สิบดูสิฮ อ, อันนี้ก็คือวิธีการฝึกสติให้อยู่ในสมาธิในเมื่อเรามีสมาธิดีแล้วนี่แหละหลู่อยู่นสถานที่ใด ดีหมดที่นี่เพราะมีสติสัมปชัญญะมีสติอยู่กับตัวเองจากนั้นเมื่อเรามีสติดีแล้วเราจะเดินวิปัสสนาภาวนาเรื่องพิจารณาอธิยังทุกขังอนาตาอย่างไงอันนั้นยังค่อยว่ากันอีกข้อสําคัญเนี่ยเอให้เรียนกอไก่ให้ถึงหอนทุกข์ให้จบซะก่อนเอจังค่อยผสมสาระสาระเนาะ อ, าอ่านออกได้ที่นี่กอไกกาคืออะไรเเออกินคืออะไรเออ ใส่สาระูสะอูเข้าไปแล้วทีนี้แล้วก็ใส่ต่อสารสารอาเข้าไปตัวผสมตัวอื่นเข้าไปอีกจนอ่านออกเขียนได้นี่แหละวิธีการฝึกเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, าติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละคือวิธีการฝึกแนวปฏิปทาแนวแถวสาย ห, หลงปูมันจากนั้นเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเ ภาวนาจิตใจของเราสงบเป็นพอสมควรแล้วเราจะมาพิจารณาทางวิปัสสนาพิจารณาทางด้านปัญญาอันนั้นค่อยว่ากันพิจารณาอย่างไงพิจารณาดงท่านทางด้านปัญญาหลวงพ่อจะพอแล็แบๆให้ฟังการพิจารณาถึงด้านปัญญานะคือพิจารณาร่างกายสังขารของเราร่างกายฮร่างกายพิจารณาร่างกาย ร่างกายก็คืออย่างที่หลวงพ่อที่พูดเบื้องต้นว่ารถกับคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถแต่ใจของเขาของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถให้ดูรถนี่จะอยู่นานไปสักเท่าไหร่หรือซเฟอร์ให้ซเฟอร์ถามซเฟอร์นะให้ตัวเองถามตัวเองซเฟอร์รถคันนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่ เ, เกิดมาแล้วเนี่ย เรามันจะไปนานเพรยศเท่าไหร่เห็นไหมรถอยู่ตามพงหญ้าเป็นเศษเหล็กเห็นไหมเห็นแต่รถของเราเนี่ยมันจะอยู่ในพงหญ้าเอออย่างนั้นกับรถของคนอื่นเขาไหมถามถามใจใจก็อนใช่เออสรุปแล้วก็คือร่างกายนี่จะถูกเผาไฟทิ้งใช่ไหมเคยเห็นไหมร่างกายรถคันนี้มันเอาเขาไปเผาไฟทิ้งเห็น เห็นรถคันนี้เอาไปไว้ที่หงซุ้ยที่เคยเห็นไหมเห็นเห็นเขาเราจะไม่อยู่ในหงซุ้ยเราจะไม่เผาอย่างนั้นใช่ไหมใจไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งต้องเผาแน่ๆต้องตายแน่ๆในเมื่อตายแล้วใจของเราจะไปที่ไหนนะตัวผู้รู้เนี่ยเพราะว่าเรนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจโซเฟอร์ไม่มีป่าช้ามีป่าช้าแต่คือจะคือร่างกายท่านเองรถะมีป่าช้า แต่โซเฟอร์ไม่มีป่าช้าเพราะนั้นออกจากรถคันนี้แล้วเราจะต้องไปซื้อรถคันอื่นแต่เรามีเงินหรือยังหือโซเฟอร์เรามีเงินในกระเป๋าหรือยังเรามีคุณงามความดีเรามีบุญหรือยังเดี๋ยวนี้เราพร้อมหรือยังที่เราจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเราจะไปเกิดที่ไหนถ้าโซเฟอรอ์มีแต่สนุกสนานไม่สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจ พอโซเฟอร์ออกจากรถคันนี้แหะไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วทำไงอ อ, ออกจากย่ำต๊อกแล้วนั่นน่ะไม่รู้จะไปหาพึ่งพาอาศัยใครแลยนั่นแหละผลที่สูดก็นั้นน่ะทั้งที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉาช้างม้าบัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านสั่งสอนแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบัพ บ, บุลบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สั่งสอนว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถตัวคนขับรถนั่นนะ่ะมันไม่สูญมันจะไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้แต่ว่าที่จะไปเกิดนั้นใจต้องเป็นผู้มีบุญถ้าใจมีบุญแล้ว ใจที่เป็นกุศลใจที่ฝึกดีแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็นใจของท่านเข้าสู่นิพพานความบริสุทธิ์ของใจท่านละเข้าสู่นิพพานแต่ส่วนร่างกายของพระองค์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่กรุงกุชินาราเนี่นี่แหละที่มันลักรรษัตริย์ที่กรุงที่เมืองกุชินาราจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันร่างกายของท่านเนี่ยแตก ตายสู่ดินน้ำลมไฟแต่ดูซิกระดูกของท่านเมื่อถ่าเผาไปแล้วกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุอีกคือกระดูกของพระรหันที่เป็นเครื่องบ่งบอกเพราะว่าใจของท่านเรามองไม่เห็นใจของท่านคืออะไรแต่ร่างกายของท่านที่เห็นแล้วนี่คือแปลกกว่าสามัญชนทั่วไปนี่นี่แหละคือร่างกายต้องถูกเผาแต่เจตใจของท่านเป็นพระรหันใจิตใจของท่านเป็นพระนาคามี พระกทาคามีพระโสดาบันแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นพรมเพราะว่าบุญกุศลของท่านมีแต่ถ้าใครก็ก็ตามท่ามีบาปอากุศลพามาเกิดตายไปแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะเกิดอยู่ในความประมาทไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีอีกต่างหากนั่นแหละแต่ี้พวกเราก็จะไปเกิดในภพต่างๆอาจจะไปเกิดเป็นภพต่ำๆหมูหมากาไกา่ ขนาดเป็นพระกรรมฐานแท้ๆยังไม่เกิดเป็นตัวเล่นได้นะคณะสัตยาญาติโยมในพระไตรปิฎกมีอยู่แล้วเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ยินแนวแถวที่หลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวก็ให้พวกเรานําไปคิดไปพิจารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็ถ้ามีเหตุผลควรที่จะเชื่อและพวกท่านทั้งหลายก็ต้องเชื่อ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเหตุไรเพราะเหตุผลถูกต้อง เ, อเราก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติดูสิมันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนไหมบอกกล่าวไหมถ้าพวกเราปฏิบัติ ด, ดูแล้วเออใช่จริงพวกเราจะไม่เชื่อได้ยังไงถ้าไม่เชื่อก็โง่เลยสิทีนะ่ไหถ้าพูดอะไรให้ฟังเชื่อมดก็โง่ไปอีกแบบหนึ่งพวกมันขาดปัญญาขาดการพิจารณาอถ้าว่าพูดให้ฟังด้วยเหตุผลแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติดูดดแล้ว มีเหตุผลจริงพวกเราก็ต้องเชื่อเชื่อในธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ได้เชื่อแบบงมงายนะพอได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็เลยตะพายกดแบกตะพายบาดแบกกดเข้าไปอยู่ในป่าดงพงไพ่เห็นไหมอยู่ทางขวามือของหลวงพ่อสมัยแปดสิบเก้าสปีให้หลังหลวงปู่มั่นจะมาภาวนาอยู่ที่ภูเขาถ้าหลวงปู่มั่นเนี่ยที่น้ําตกยุงทองพวกเราคาดคิดไหม หลวงปู่มั่นจะมาถึงที่นี่ท่านมาอะไรทาไมภาวนาที่ไหนก็ได้นั่นแหะท่านมาสาะแสวงหาสถานที่สงบสงัดสถานที่กลัวๆเพื่อไม่ให้ใจของเรามันคิดออกไปสู่ข้างนอกไปอยู่ในสถานที่กลัวให้บงังคับให้ภาวนากลางคืนมาเห็นเสือยินเสียเสงเสือร้องท่านก็พุทโธพุทโธพุทโธท่านกลัวใช่ไหมคนเรากลัวๆๆตายมันก็ต้องใจก็ไม่หนีจากตัว ไม่ออกจากตัวเองจากนั้นใจของของท่านก็เข้าสู่ความสงบพอจิตใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละใจกับกายกายกับใจเห็นได้ชัดร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่ตัวคนขับรถเนี่ยแหะตัวการสําคัญเป็นตัวใหญ่จวบมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจก็คือมโนหรือว่าใจคือตัวผูรู้นี่แหละเป็นตัวใหญ่ของร่างกายตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะจัทธาญาฎโยมน้องนุง่งทั้งหลายนะ้ให้ศึกษาในภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะจัตธาราฎโยมโลูกหลานที่เข้ามาศึกษาใหม่ให้นี่แหละให้มุ่มงมั่นให้ตั้งใจให้ภาวนาเมื่อพวกท่านทั้งหลายภาวนาปฏิบัติแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว หลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรจากพวกเรานะมีแต่พวกเราท่านทั้งหลายโอ้ขอบคุณมากที่ได้ยินหลวงพ่ออินพูดวันนั้นให้ภาวนาเราภาวนากระจิตใจสงบโอ้มีความสุขจริงๆอย่างที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเออเกิดกับข้าพเจ้าแล้วเออมีความสุขจริงๆขอบคุณหลวงพ่ออิน ที่ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อได้เพียงแต่ขอบคุณเท่านั้นเองนะหลวงพ่อไม่ได้หวังอะไรจากพวกเราคณะจตธาญาจโยมทั้งหลายเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะธรรมะปฏิบัติที่ถ้าเข้าสู่จิตใจแล้วมันฝังแน่นนะเชื่อแน่นในจิตใจพวกเราบิดามีแต่ความสุขความเจริญการกล่าวสโมโภชนิยกถาในวันนี้เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพัะศีรษะรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบวยบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเรารักเคารพนับถือคุ้มของพวกเราขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทกท่าน เธน